21ความหมายของคำว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้ชัดวงเล็บเปิด18พฤศจิกายน2 5 4 9ันาในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสวงเล็บปิดพระพุทธเจ้าสอนนั่งอยู่ก็รู้ชัดยืนอยู่ก็รู้ชัดเดินอยู่ก็รู้ชัดคำว่ารู้ชัดไม่ได้แปลว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดหมายถึงสองอย่างอันแรกเลยรู้ว่ารูปนี้เคลื่อนไหวอยู่เห็นว่ากายมันเคลื่อนไหวอยู่ อันที่สองรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนั้นรู้ว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกวัตถุมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่หรือหายใจเข้าหายใจออกก็คอยรู้อันแรกรู้ว่ามีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกมีการหายใจเข้าหายใจออกธาตุมันกระเพื่อมธาตุมันไหวธาตุมันไหลเข้าธาตุมันไหลออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์อะไรเชนั้นที่ว่าให้รู้ให้รู้นี่มันจะคลุมไยะสองอย่าง อันหนึ่งมีสติรู้สภาวะเช่นยืนเดินนั่งนอนหายใจเข้าหายใจออกมีสติระลึกรู้มีปัญญาเข้าใจลักษณะของรูปธรรมนามธรรมนั้นเช่นเราขยับเราจะรู้สึกเลยถ้าเรารู้สึกถูกต้องนะใจจะโปร่งโปร่ ง, รงไม่มีน้ำหนักนะถ้าใจเกิดมีน้ำหนักขึ้นมานีของปลอมรู้ปลอมถ้ารู้ถูกต้องใจจะไม่มีน้ำหนักจะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวอยู่ แล้วก็มีปัญญารู้ด้วยว่านี่แค่รูปเท่านั้นเองรูปมันเคลื่อนไหวไม่ใช่คิดเอานะเป็นความรู้สึกวิปัสสนารู้สึกเอาไม่ได้คิดเอา